สัมผัสสยองเรื่องเล่าทั้งสามเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าจากทางบ้านต้องขอขอบคุณคุณวันวิสาด้วยนะครับที่นำประสบการณ์ที่ได้พบเจอมาและประสบการณ์ของคนใกล้ตัวมาแบ่งปันให้กับแฟนๆชาวสัมผัสสยองทุกคนได้รับฟังกันและถ้าหากแฟนๆท่านใด ที่มีประสบการณ์เรื่องราวที่อยากจะแบ่งปันก็สามารถส่งเรื่องราวเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์แฟนเพจสัมผัสสยองหรือทางอ e ีเมลสัมผัสสยองแอ g จีเมลคอทางรายละเอียดด้านล่างที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนตอนนี้เรามาฟังเรื่องราวของคุณวันวิสากันเลยดีกว่าพระเครื่อง เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากน้องชายของเราเองอามน้องชายของเราเขาเป็นนักสะสมพระเครื่องทุกๆอาทิตย์อามจะไปตลาดพระแห่งหนึ่งหาดูพระที่จะเช่ามาเก็บไว้เพื่อบูชาและสะสมวันนั้นเขาได้ชวนเพื่อนและผู้เชี่ยวชาญเรื่องพระไปช่วยกันดูเพื่อพิจารณาการการผิดพลาดและการถูกหลอก ในขณะที่กำลังเดินดูพระกันอยู่นั้นก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอามจึงรับสายโทรศัพท์นั้นในสายเป็นคุณลุงท่านหนึ่งที่เคยนำพระมาให้เช่าแก้ได้โทรมาคุยและบอกว่าลุงได้พระเก่าๆมาจะกลูเยอะแยะอยากให้มันลองเลือกดูเผื่อว่าจะมีองค์ไหนที่เข้าตาพ อ, อได้ฟังดังนั้นอามกับเพื่อนๆก็ออกจากตลาดพระ และมุ่งหน้าขับรถไปที่บ้านของลุงในทันทีเมื่อไปถึงบ้านลุงแกก็ได้นำพระที่ขุดได้จากกลุกออกมาให้ดูซึ่งมีพระเก่าๆอยู่มากมายร่วมร้อยองค์อามกับเพื่อนๆก็ซองพระกันอยู่นานแล้วก็เจอองค์ที่ถูกใจเป็นสมเด็จนางพญาหนึ่งองค์และพระสุมกอหนึ่งองค์เมื่อลุงแกแจ้งราคาค่าเช่าแต่ละองค์อามก็รู้ว่า เงินที่นำมาไม่พอจ่ายค่าเช่าพระซึ่งขาดเงินอยู่อีกประมาณหก0มื่นบาทจึงบอกลุงไปว่าผมขอเวลาสามวันแล้วจะมาเช่าพระอย่าเพิ่งให้ใครเช่าไปนะลุงลุงแกก็พยักหนา้าแล้วรับปาหลังจากที่กลับมาจากบ้านลุงเพราะตกกลางดึกอามก็ได้ฝันว่ามีคนแต่งตัวเหมือนกับคนโบราณหน้าเข้มๆตัวใหญ่ๆ มายืนชี้หน้าด่าและบอกอามว่าเองิงอย่าไปเอาพระมานะถ้าไม่ใช่ของเองิงและข้าฝากเอิงไปบอกไอ้คนที่มันเอามาด้วยว่าให้เอากลับไปคืนที่เดิมไม่อย่างนั้นพวกเอิงเจอดีแน่อามสะดุ้งตกใจตื่นเหงื่อท่วมไปหมดทั้งตัวแล้วรู้สึกกลัวมากจึงเข้าไปนั่งสวดมนต์ในห้องพระ เพื่อขอขมากรรมต่อวิญญาณที่มาเข้าฝันเช้าวันรุ่งขึ้นอามจจึงได้โทรบอกและเล่าเรื่องความฝันเมื่อคืนให้ลุงฟังแล้วได้บอกยกเลิกเรื่องการเช่าพระที่ได้คุยกันไว้เพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอาถรรพ์หรือเกิดเรื่องไม่ดีกับตนได้ถ้าหากนําพระนั้นมาเมื่อลุงได้ยินดังนั้นก็โกรธมากต่อว่าอามเป็นการใหญ่ และหาว่าอามปั้นเรื่องโกหกขึ้นมาอามจึงบอกลุงว่าเขาให้ผมมาบอกลุงลุงไม่เชื่อก็แล้วแต่ลุงผมจนบัญญาจะทำให้ลุงเข้าใจแล้วลุงจะโกรธผมก็แล้วแต่ลุงเถอะแต่ผมไม่เช่าพระจากลุงแล้วแน่นอนหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ขณะที่ลุงกำลังเดินทางไปตลาดพระเพื่อจะนำพระที่ขุดได้นั้นไปปล่อยเช่าที่แพงในตลาด แต่ยังไม่ทันได้ถึงจุดหมายลุงก็ได้ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มควม่มทำให้ขาของลุงทั้งสองข้างหักจนต้องเข้าเฝื่อกในวันเดียวกันนั้นเองเวลาประมาณหนึ่งทุ่มอามก็ได้รับโทรศัพท์จากลุงอีกครั้งแล้วลุงก็ได้เล่าเรื่องอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่มให้อามฟังแกบอกว่าโชคยังดีที่รอดมาได้มันทาให้แกได้นึกถึง คำที่อามเคยเล่าให้ฟังและเตือนลุงไว้แกจึงจุดธูปเพื่อขอขอมากรรมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณที่มาเตือนจากนั้นก็ได้บอกให้ลูกชายของแกนำพระที่แกขุดได้ทั้งหมดไปคืนไว้ที่เดิมเพื่อนเก่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนาชายซึ่งเป็นน้องชายของแม่นาชายแก่เคยยืมเงินของเพื่อนคนหนึ่งเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,000 บาทแต่แกก็ยังไม่ได้คืนเงินที่ยืมมาจนเวลาผ่านไปสามเดือนคืนหนึ่งนาชายกลับมาจากงานวันเกิดเพื่อนบ้านและมีอาการเมินเมาจากที่ดื่มเบียร์ไปเยอะพอกลับมาถึงบ้านแกก็นอนหลับไป ที่โซฟาในห้องรับแขกเพราะหลับไปได้สักพักแกก็ได้ฝันถึงเพื่อนคนหนึ่งที่แกเคยยืมเงินมาว่าเพื่อนได้เข้ามาที่บ้านแล้วนั่งคุยกับแกที่โต๊ะรับแขกหน้าบานตอนนั้นเพื่อนของนาเขามีท่าทางลุกลี้ลุกลนเหมือนหนีอะไรมาสักอย่างนาชายจึงชวนเขาเข้าไปคุยกันในบ้านแต่เขาตอบปฏิเสธและบอกนาชายว่า ผมแว่มาบอกเฉยๆอยู่คุยนานไม่ได้เดี๋ยวท่านผู้คุมเขาว่าเอาเงินที่เฮียยืมผมไปหนึ่งบาทให้เฮียเอาไปคืนกับแม่ผมนะอย่าลืมนะเฮียจากนั้นนาชายก็สะดุ้งตื่นขึ้นจากความฝันแล้วนั่งนึกทบทวนถึงเรื่องทั้งหมดก็พบว่าตัวเองยังไม่ได้คืนเงินที่ยืมเพื่อนมาจริงๆ เนื่องจากนาชายได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นและมัวแต่วุ่นวายกับเรื่องหางานที่ใหม่ทาจึงได้ขาดการติดต่อกับเพื่อนคนนี้ไปเลยจากนั้นนาชายก็ได้ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนคนนี้ในโทรศัพท์มือถือของเขาแล้วก็เจอเบอร์โทซึ่งมันเป็นเบอร์บ้านนาชายจึงตัดสินใจโทรไปที่เบอร์ของเพื่อนคนนี้ในทันทีตอนที่โทรไปนั้น เป็นเวลาประมาณสองทุมหลังจากที่รอสายสักพักก็มีผู้หญิงคนหนึ่งรับสายเธอเป็นแม่ของเพื่อนคนนี้นั่นเองหลังจากที่คุยกันได้สักพักน้าชายก็ถามหาเพื่อนแม่ของเพื่อนพูดโดยนำเสียงที่เศร้าส้อยบอกกับนาชายว่าลูกชายของเธอเสียชีวิตไปได้สามอาทิตย์แล้วจากการป่วยด้วยโรคมะเร็งตับ นาชายถึงกับอึ้งพูดอะไรไม่ออกและรู้สึกผิดที่ตนลืมคืนเงินเพื่อนจึงได้เล่าเรื่องความฝันของเขาให้แม่ของเพื่อนได้รับฟังจากนั้นก็ขอเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อจะโอนเงินที่ยืมไปนั้นคืนให้เช้า ว, วันรุ่งขึ้นน้าชายได้ไปทำบุญใส่บาตรพร้อมทั้งถวายสังฆทานและวุทิส่วนกุศลให้เพื่อนคนนี้ หลังจากนั้นก็ได้โอนเงินให้กับแม่ของเพื่อนที่ธนาคารพอโอนเสร็จนาชายก็ได้ยกมือขึ้นพนมแล้วกล่าวขอโทษขอขมากรรมกับเพื่อนที่ตนเองยืมเงินไปแล้วลืมคืนและขอให้วิญญาณของเขาไปสู่สุคติและพบภูมิที่ดีผีมาเยี่ยมใคร เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเราเองเมื่อปีพศ2549หลังจากจบปริญญาโทรเราได้ย้ายมาเป็นพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีเราทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ได้ประมาณหเดือนก็ป่วยเป็นไ ข, ยข้ยีสุกยีใสที่ติดจากคนไข้ที่มารักษาเรา จึงได้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาประมาณสิบวันห้องที่เราได้พักคือห้องหมายเลข409ช่วงสองวันแรกที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็ปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมาในคืนที่สามตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสามทุ่มเศษเศษเราจำได้ว่าได้กินยาลดไข้ไป แล้วล้มตัวลงเพื่อจะนอนพักพอเริ่มเคลิมหลับเราก็รู้สึกว่ามีคนมายืนอยู่ที่ปลายเตียงจึงลืมตามองก็เห็นคนแปลกหน้าสี่คนยืนอยู่ที่ปลายเตียงของเราคนแรกเป็นผู้ชายใส่กางเกงขาสัน้นแต่ไม่ใส่เสื้อเนื้อตัวมีบาดแผลเต็มใบหมดและมีเลือดไหลออกมาที่ใบหน้าคนที่สอง เป็นผู้หญิงผมสัน้นสวมเสื้อคอกระเชาใบหน้าเขียวชำ้ำที่ดวงตามีเลือดไหลออกมาทั้งสองข้างอีกสองคนเป็นเด็กผู้ชายอายุน่าจะประมาณ15ปีหรืออยู่ในช่วงมัธยมตน้นทั้งสองใส่ชุดนักเรียนที่เปือเป้อนไปด้วยเลือดพวกเขาทั้งหมดยืนมองเราอยู่ที่ปลายเตียงสักพักเราก็ได้ยินเสียงพูดออกมา แต่ไม่มีใครขยับปากเขาบอกว่าพวกเขามาเยี่ยมเราเพราะรู้ว่าเรานอนป่วยอยู่โรงพยาบาลนี้ตอนนั้นเรารู้สึกเย็นสนลังว่าขนลุกไปทั้งตัวความกลัวแพ่ซ่านเข้าสู่ร่างกายทุกรูกขุมขนจนทำอะไรไม่ถูกเมื่อเราเริ่มตั้งสติได้ก็ท่องอิติปิโสและค่อยๆหลับตาลง เพราะกลัวว่าจะควบคุมสติไว้ไม่อยู่เราท่องไปเรื่อยๆตอนนั้นเราน่าจะท่องอีติปีโซี่สิบจบได้จังหวะนั้นก็มีพยาบาลเปิดเข้ามาในห้องพอดีผีสีตนนั้นหายไปแล้วพยาบาลถือขวดน้ำเกลืออยู่เพื่อจะนํามาเปลี่ยนให้แล้วเธอก็ถามเราว่ากําลังสวดมนต์อยู่หรอคะส่วนเราได้แต่พยักหน้ารับ และตอบไปว่าชัยในเวลานั้นเราไม่สามารถคลุมตาหลับได้เลยเพราะความหวาดกลัวยังคงอยู่เราจึงขอยานอนหลับจากพยาบาลเพื่อให้ตัวเองได้หลับสนิทแต่เราก็ไม่ได้เล่าอะไรให้พยาบาลฟังว่าเจอเหตุการณ์น่าสะพึงกลัวอยู่หลังจากที่พยาบาลเปลี่ยนขวดน้ําเกลือเสร็จก็ออกไปแล้วนํายานอนหลับมาให้ เรากินยานอนหลับไปหนึ่งเม็ดหวังว่าจะนอนหลับได้สนิทแต่เหตุการณ์มันกลับตรงกันข้ามเรากลับนอนไม่หลับหุดลุกผุดนั่งทั้งคืนจนฟ้าสางพอเช้าวันรุ่งขึ้นเราได้ซื้อพวงมาลัยไปไหว้ที่ศาลพระภูมิของโรงพยาบาลแล้วเอาพวงมาลัยมาไหว้และห้อยติดไว้ตรงหัวเตียงที่เรานอนด้วย หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเราก็ได้สวดมนต์และแผ่เมตตาทุกๆคืนก่อนนอนก็ไม่เจอเหตุการณ์น่ากลัวอย่างเช่นคืนนั้นอีกจนกระทั่งเราหายเป็นปกติหมอจึงให้ออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักที่บ้านต่อเราทํางานเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาล น, นี้ได้สองปีก็ย้ายไปทํางานที The ่กรุงเทพแล้วเรา ก็ไม่เคยได้กลับไปนอนที่โรงพยาบาลนั้นอีกเลยสมัมผัสสยอง